อออ๋ออออันโบราณทันวามายายิงมีมากจริงร้อยเลื่นเกียนเรียนไม่หมดเหมือนเท่าวันพันเกวมันเลี้ยวโคด หรือกำหนดบทตอนส่วนไม่ทัน